นกกะเรียนผู้รู้ซึงกาลครั้งหนึ่งในสระน้าเล็กๆยังมีนกกเรียนที่งดงามตัวหนึ่งอาศัยอยู่เขาสง่างามเกินกว่านกตัวใดๆแต่เขาไม่ได้ภูมิใจกับมันเลยเขาเกลียดขายาวๆบีกับจะงอยปากของเขาและบ่นเรื่องนี้ตลอดปีทุกๆคนได้ยินเสียงบ่นของเขาตั้งแต่นกที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ไปจนถึงปลาที่กลาลังว่ายน้าอยู่ในสระแห่งนี้ พวกเขารู้สึกเบื่อหน่ายมากกับเสียงบ่นของเขาคือหนึ่งขณะที่เขาพักอยู่บนต้นไม้เขาเริ่มบ่นออกมาอีกเช่นเคยโอ้ขา ย, ยาวๆเหล่านี้ช่างไร้ประโยชน์ปีกของฉันก็ด้วยอะพวกมันไม่แข็งแรงพอเลยพวกมันคงสวยกว่านี้ถ้ามีสีสันเหมือนกับผีเสือ้อโ อ, โอ้โอ้โอ้นายทำฉันกลัว โอ้หัวใจคองฉันเต้นเร็วมากหัวใจนี่ก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันพูดอะไรตลกไปได้ไม่มีหัวใจของใครไร้ประโยชน์หรอกนะงั้นฉันคงไม่ใช่ใครทั้งนั้นดูทุกอย่างที่ฉันมีสิมันช่ไร้ประโยชน์อ่ะขาฉันเหมือนกิ่งไม้จะงอยปากนี่ก็ยาวดูน่าเกลียดและปีกฉันมันซีดขาวไม่มีสีสันอะไรเลยฉันหวังว่าฉันจะเป็นผีเสื้อนกกเรียนตัวน้อยเอ้ย คิดให้ดีก่อนพูดสินายคิดว่าการเป็นปีเสื้อมันดีเง้นเหรอก็ใช่สิทุกๆุกคนบนโลกเนี้ยจะรักแล้วก็เอ็นดูฉันฉันจะเป็นสัตว์ที่สวยงามที่สุดบนโลก อ, อฉันหวังว่าฉันจะได้เป็นอ้ฉันเตือนนายแล้วเจ้านกกระเรียนแต่ฉันพูดความจริงแล้วไม่โกหกพรุ่งนี้เช้านายจะกลายเป็นผีเสือ้อ เ uh huh. ช้าวันรุ่งขึ้นก็เรียนตื่นขึ้นมาแต่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปเขาไม่ได้อยู่ใกล้สระน้ำและเขาไม่ใช่นกกเรียนอีกต่อไปโอ้ดอกไม้พวกนี้ช่างงดงามแต่ฉันไม่เคยเห็นดอกไม้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยมีอะไรอยู่ข้างหลังฉันเนี่ยอ้อ่ะอปีกฉันไม่ใช่นกกระเรียนอีกแล้ว เเป็น้แน่นอนตอนนี้นัก เ, เรียนสมหวังแล้วเขาเปลี่ยนเป็นผีเสื้อตัวน้อยที่งดงามปีกของเขามีสีสันสดใสและเขาดูสวยงามภายใต้แสงอาทิตย์ว้าวปีกนี้สุดยอดไปเลยอ่ะดูสิช่างมีสีสันที่สวยงามจริงๆเลยจากนั้นเขาก็เกิดเพื่อปีกออก โชปปี้ของเขาแดนดอกไม้และพวกพึ่งเขาบินขึ้นไปสูงเท่าที่จะทําได้เพื่อโชอปปี้ของเขาให้โลกนี้ได้เห็นโอโ้่านดูสวยงามมากเลยปีกนี่สวยสุดๆไปเลยหวังว่านี่คงไม่ใช่ความฝันนะท่านใด น, นั้นนกอีซีได้โฉบมาที่เข า, าเขากลัวสุดขีดและพยายามบินหนีให้เร็วที่สุด แต่ว่าปีกของเขาก็ไม่อำนวยเพราะพวกมันเล็กมากๆและมันยากที่เขาจะหนีพ้นไม่เอานะไม่โอ้ไม่ฉันจะทำยังไงดีเร็วเข้าสิบินเร็วขึ้นอีกสิในที่สุดเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และอินซีก็หายไปโ อ, โอ้เกือบไปแล้ว ปนี่ใช้หนีได้ยางมากเลยฉัานจะทำยังไงดีเนี่ยในขณะนั้นกบได้มองเห็นเธอพีเสื้อแสนสวยดูท่าจะเป็นอาหารที่อร่อยให้กับเขาไม่นะไม่หยุดนะโอ้ โอ้การเป็นผีเสื้อแสนสวยนั้นแย่มากจริงๆมันน่ากลัวมากบางทีการได้เป็นปลาในาน้ำคงจะดีกว่านะโอ้ร่างกายที่เต็มไปด้วยเกล็ดที่เงางามแล้วยังไม่มีอินทรีย์จ้องจะมากินอีกอคงดีกว่านี้ถ้าได้เกิดเป็นปลาผีเสื้อตัวน้อยที่น่าสงสารหลับไป เขาเหนื่อยมากหลังจากที่โดนไล่ล่าอย่างน่ากลัวโอ้นั่นเป็นความฝันที่แปลกมากอืผีเสือ้อไอ้ล็อกอินซเฮ้ยช่าง น, น่ากลัวจังอือืนี่มาอะไรกันเนี่ยทำไมฉันบินไม่ได้เขารู้ตัวว่าปีกที่เขาพยายามบิน ตอนนี้มันกลายเป็นครีบเล็กๆแล้วครีบเหรอปีของฉันอยู่ไหนอืมฉันกลายเป็นปลาอย่างนั้นเหรอและนี่นี่คือทะเลความปรารถนาของฉันเป็นจริงแล้วยุ ป, ปิโอเกลด็ดพวกนี้สวยงามมากมันส่องประกายราวกับกระจกเลยจากนั้นเขาก็มองเห็นประการังและปลาที่สวยงามว่าอยู่ล้อมรอบ ทะเลที่นี่สวยจริงๆฉันเองก็สวยเช่นกันฉันจะอยู่อย่างดีที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรกับฉันแล้วแต่ในขณะที่เขาว่ายน้ำและหำเพลงไปเขามาถึงสถานที่งดงามแห่งหนึ่งเขามองไปรอบๆทันใดนั้นเขาก็ชนเข้ากับบางอย่างที่มีสีชมพูและอ่อนนุ่มนี่มาอะไรกันอูมันอ่อนนุ่มมากใช่อ่อนมาก สนุกจังเลยเขาเล่นกับสิ่งแปลกๆนี่จนทันใดนั้นมึกยักษ์ได้โผล่ออกมาจากก้อนหินนี่เป็นหนึ่งในหนวดของมันมึกยักษ์อารมณ์เสียมากที่มีปลามาเล่นกับมันโอ้พระเจ้าได้โปรดอย่าทำอะไรฉันเลยฉันฉันฉันไปก่อนแล้วนะโอ้ แล้วพวกเขาก็ไล่ล่ากันปลาที่น่าสงสารพยายามว่ายน้ำให้เร็วที่สุดเพื่อหลบหนีจากปลาหมึกยักษ์แต่หมึกยักษ์ก็เร็วมากมีหน่ำซ้ำเจ้ปลายังไม่ค่อยคุ้นชินกับการว่ายน้ำเลยอ๋เกือบไปแล้วสิเราไม่เคยคิดเลยว่าในทะเลจะมีปัญหาเหมือนกันโอฉันจะบอกว่ามันมีปัญหาอยู่ทุกที่นั่นแหละปลาเอ้ยนายไม่รู้หรื อ, อยังไงกันเนี่ยนายเป็นใครอ่ะฉันรู้จักนายหรือเปล่าเนี่ย ออไ ม, ไม่นะฉันว่านายไม่รู้แต่ว่านายคล้ายมากเลยอูห้หูฉันหมายถึงแน่นอนนายไม่รู้จักฉันท้องทะเลกว้างใหญ่แค่ไหนนายก็รู้นี่นาอืมโอ้ถ้าเพียงแต่ฉันเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดคงไม่มีใครกล้าท้าทายฉันแน่สัตว์ที่แข็งแกร่งอย่างเออสิงโตไงฉันอยากจะเป็นสิงโตงั้นเหรอ นายไม่มีความสุขดีกันเป็นปลาที่มีเกล็ดแวววาวแล้วเหรอพวกมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะจะวิเศษแค่ไหนนะถ้าฉันได้กลายเป็นเจ้าปลาอืมท่านนายคิดเช่นนั้นแล้ว้่านนายหวังว่าอย่างนั้นนายจะได้รับมันปลาหน่อยโอูโหทาในานั้นเจ้าปลาก็ถูกล้อมรอบไปด้วยฟองจำนวนมากเขาหลับตาลงด้วยความลกลืในไมชาาก็ได้ยินเสียงคารามแห่งทะเลรอบตัวเขา ในพริบตาเสียงได้หายไปและเปิดตาลืมขึ้นและพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่กลางป่าป่างั้นเหรอทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ล่ะเดี๋ยวอุ้งเท้าเดี๋ยวหางด้วยฉันกลายเป็นสิงโตแล้ววเสียงคำรามของเขาดังก้องมากใบไม้ทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเขาสั่นไหว ฉันเป็นสิงโตเจ้าแห่งป่าปกครองสัตว์ทั้งหมดไม่มีใครกล้าเย้มกับฉันอีกแล้วจากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปทั่วป่าด้วยความน่าเกรงขามเขาคำรามใส่สัตว์ตัวเล็กทั้งหมดที่เขาพบเห็นและมันวิ่งหนีแล้วหลีกทางให้กับเขานี่มันนี่มันรู้สึกดีสุดๆไปเลยอ่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าสิงโตจะมีอานาจขนาดนี้ นี่มันสนุกจริงๆเลยว้า wow. แต่ในขณะที่เขาเดินไปเขาเหยียบกับดักของนักล่าเขา้าในไม่ช้ากรงเขาก็มาขังเขาไว้ว้านี่มาอะไรกันอ่ะปล่อยฉันนะปล่อยฉันและได้มีนักล่าสองคนออกมาจากพุ่มหลังต้นไม้พวกเขาดูโหดร้ายมากไม่นานสิงโตก็เริ่มกลัววิเศษเลย สิงโตถ้าเราจับมันไปขายตอนนี้ต้องได้ราคาดีแน่นอนใช่แล้วเร็วเข้าจับมันไปเลยสิงโตที่น่าสงสารได้ยินเช่นนี้เขาสั่นออกมาด้วยความกลัวไม่นะไม่ได้โปรดอย่าจับฉันไปเลยใครก็ได้อะช่วยด้วย ฉันไม่อยากเป็นสิงโตอีกแล้วฉันเป็นนกกระเรียนที่มีความสุขให้ฉันได้กลับไปเป็นนกกระเรียนเถอะโอ้โอฝันอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ขอบคุณพระเจ้าฮะฉันมีความสุขมากเลยที่ได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งขาที่เรียวงามจางออยปากและปีกที่งดงามของฉันโอ้มันช่างสง่างามยิ่งนัก ฉันชอบพวกมันทั้งหมดเลยนอกรกเรียนได้รับบทเรียนอันยิ่งใหญ่จงภูมิใจและขอบคุณในสิ่งที่คุณมีความฝันง่ายๆนีได้สอนเขาหรือบางทีทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ความฝันอืมฮู้ฮ